อยู่คนเดียเรื่วราจนอะไรเก็ดอะไร่าอยู่อย่างสงบท่านทำกันอยู่ามิสท่านการเรงนท้ท่านสบา่เป็นคนเข้าไปสู่ะโกนเข้าไป้ว่า ทอดขนาดนีกนีท้งท้งสององค์เนี่ยกระทันตัวอาหารไดีสององค์ตัวนี้ใส่ตะกรอนใ่ขันอยคนหนึ่งก็ี่ยปูอบปูชอบเน้สององค์หนึ่งในทอดอยู่โดเดียวคนเดียวมันจะมีที่ขังังตันี้หายุกขับาทงอย่างนั้นต้ออยู่แบบนี้บาตทุกขังแต่อนมีทงเนี่ยท่านตัวรวมั้งไม่ไม่หลายมีคนเผาดูแก่จหลือว่าปูแล้วทำไม ก็ยกให้ลูกให้ล้งให้ตาเพราะว่าไม่สบายสาเหตุมานไม่สบายเขาเป็นอยู่คนเดียวสบายต้มเป็นแบบน้ำต้มน้ำร้อนยกใส่ย่าั้งนบแฉลอสบาไม่กนไม่หนาวผมก็่อยตไม่สอน การจะขาวอให้บอกว่าหน้าหรือคนไห่รู้จักนันที่จริงจังพยายมเอเราคุยับผู้ที่รู้จักอย่อาจารย์ใจต่อไปนะครับเาบเร่อการสื่อสารกับผู้อืนเาร ใจเขามาบอกนอยกว่าเขาต้องเป็นไปอย่างนั้นกวาที่ยายใส่เหมืนกันางทีบอกดูบ้านเขดบนเขาเลยะเชื่อไหว่าในโลกมันมีบ้าเขาอยู่เยอะา เราดูกทำอะไม่เห็นไ่ดูกันแตก็ไม่เห็นไม่เย ่างทีเราชอบไปเรีนนากการนนยนไปทำอะไรบ้างานไหมบางคนมีความใจละหรือไปที่มอเราไปยกตัวอย่างใหญ่จนบะอกว่าขนาใจไม่เลกมบ้างอ้คนี่มอญไปมียิานึ่ที่สิมาบกเนี่มอมาทำไมจะปฏิบัติเราทำไมปล่อยที่อย่างนี้มันมีที่สิ า, าที เดี๋ยนั้นกำลังแข่งไปยังภาษาที่ไหนก็ที่ไข่งไปภาษาที่การแขางไปด้วยความสมัครใจมันจะไดสไม่โคล่ขีดเยอะแยอย่างเงี้ยไปเลยคนอื่นไม่มดไปไม่ถ้ใหญ่ต้องพักไปบององค์ก็เพื่อนนะครับการเข้าส่งต่อวัดตื่นนอนนั่งน้ควรานเใครว่าสมรสกันไป เราอไม่ตองไปดให้ถ้ามเสียชีวเสีางสมวยนี้เดียวผู้ใหญ่ไปอยากได้เทคโนโลยีและนตัวจะแจกได้สิ่งทีถูกอะไรก็เอาไปได้ก็ติดเจ็ดคนไวันถ้าคนนี้กอะไรแต่จะเป็นธาตันว่าจะเ็นวัาแ่ก็อย่างนั้นตัวเองจะหายอะไรเขาทำรักษาใจเขาทำโดยสบาย แต่งงานใหม่ๆเรชอบอกคู่ใจคนนี้คนนี้ครจะดีต่อคู่ายคนนี้แล้หญิงคนนี้เราชอบคนนี้เรแต่งกันใจมาดีคีอเกิดไหมสอบพอกันบ่อยเป็นผู้หญิงคนนี้ไม่ใส่เลยเออไม่เนาะ ไอบใจติดใจนะครับปวตีนก็ใช่อ่างไรก็ปวดก็ปวดไปปวดไปติดใจก็ไม่เลีนิดุ้งปุ้ง่อนไปตามช้นยาวหาหอาเลยเด็กท้อก็มาถายี้ติดคนเหื่อมันเหนื่อยนงเรียกเยอะกว่วก็เก็บถ้าไปดูหนังฟงเกตลอดเไปดได้ใจนั่นชอบแบบนั้นเขก็อยู่ไม่ได้ จะต้องออกมาหาที่มันอบความตกมันอยู่ที่ชอบใจจิตใจถ้าเรม่ชอบใจจิตใจเราฟอนใจแล้วสถานที่จะยี่ขาดไหนก็อยู่ได้แต่บต้องคนมีอะไรดูมีอะไรฟังมองไปที่ไหนก็เลยเห็นูวยนักคนในสไต่แบบนั้นอยู่ในตลาดอยู่ในเมืองก็ได้ไปฟังเรื่องนั้นอ่านเรื่องนั้ ด้วยตางไม่ไมีอะไรไ่เป็นเสียงโดไรจะไปจันที่เป็นเสียงสายตาเราไปแบบนั้นคนคนที่ในชอบสงบนะคนที่ปฏิบัติทางใจได้ทำผู้ที่ปฏิบัติทางใจได้ผมว่าไม่มีอะไรนะใช่อบมันห่วกเหนื่อยทบวเสียงอะไรจะจะรบกวนได้อยู่่างนั้นมันสุบสบายทางเยอะมาอัดฟังอะไรแบบเกดึเป็นสนขุดซึ่งทำกับะบวกสบายทางาจทางใจที่ไม่ต ก็อยู่้จะมีแบบเขาฝันกันบางทีตุ่งฝันไะหลายวันตุ่งเ่อยู่น้างก็หายใจทุกท่านมีอัปมงคลอย่างนี้ก็อยู่แบบนี้มันมีเงินใจมีเงินใจเรื่องของใจมันคนกุ่้องอยู่ได้เลือกบ่าคนตุ่งไม่สามากถจอยู่ได้หรือมัน ทำมาตรงบังค th ับบวมแล้วหยุดนิดนิดจนอันทหารเสีนะเข้าไปบังคับไม่ได้ก็้าไปบังคับอย่างนั้นก็เสียไปใหญ่เพราะในใจสัทธาเกปฏิบัติอย่างบังคาบอยู่หมดจะทำอะไรจะจะทำไปตามใจเนียมันจะไปกันใหญ่เนี่เนะจนี้จะใชอยู่ได้เลยตึงได้ถึว่าเสียอย่นั้ให้เข้าใจเพราะว่าอยางั้เรับใจใส่ไหมครับจะเต็มแบบเต็ มันคิดไปเพื่ออะไรดีอ่ะดูตัวเองดูคิดไปเพื่ออะไรยังไงก็เปี่ยนไปยังไงก็เปนไ เร้องการให้เาทำี้นทำให้เราดีขึ้นทำให้เรี้นทเราีขึ้นทำ้ราดีนทำราดีข้นทราดีขึนทำห้เราดีขึ้น นายครูตาวดูอาจารย์อาจารย์มันจรนงมกเลยครับเนี่ยจริงเยจริงเลยอย่างพวกคุณเป็นคนันโดยทีว่าทางอาจารย์อะไรกบคุณเป็นคนถึงจริงจรงเลยอย่างพวกคุณเกิดนีบจากที่ไหนครับ เรื่องบองบางอย่างตามีกา่ยกหวามใจโดยเป็นครูเป็นอาจารย์กันเรื่องใบวัญใหญ่โดยน่าเป็นสองใไในเย็นลูกขาดน้องครูอาจารยจิตใจสื่อสารกันแค่ไหนส่วนสายสะพานวางสะพานจะคุณเห็นในใจน้องแม่พันที่ได้ วากดจริกับเขาอย่างนั้นเขาควรจะต้อง่เป็นชั้นยู่จังหวัดใดวัดอะไรมีจริงหรือลูกขาดอยาวงตาเคยตามหาอหลายรับหลายแห่งหลายจังหวัดแล้วาคงจะตามไปตรอบถ้าอย่างไรตอบแบบแปลก แต่ละวันแล้วก็ทุกครัข้ามนต่คนกเ่ทาเนาทางาสนตางต่างวดเด็กๆเหล้วคนรู้โลกต่อไปไม่ได้เวะ เดี๋ยวมันตายหมดเลยดีอย่างเงี้ยเปม・นบางคนบางคนก็ไม่เชื่อเห็นคนเห็นอะไรกันไม่เชื่าเชื่อว่าคนบางคนเห็นตัวเอ ยงิมพ์นาดไหนเขาก็ยังไม่เกลี่ยเลยหย่อนใจมันวางใยู่งั้นันตอน้ต้ลยงทันทีเดิมเดิมนับกา็นว้วนจริที่มเกล่ยตัวพอเย้่อน้นก็หนงดอ้งห่นีจ่วู้ที่ไาาแล้วีที่ไอ้าลเรถึงใส่ก็ได้ เขอนพี่สายไปแค่แ <g ay> ่ที่บอกตัวอง น, นี่เขาไปยังไเอาไว้ก็ทำหนี้งิไปด้วใ่ใจไปเชือชก่อใจฝากไปให้ฝากคนอื่นไปดคนอื่นไปเห็นคนอื่นก็ู่นัน่งเชื่อใจเชื่อ เราประเมินหัวใจถ้าเราเป็นอะเป็นอย่างถ้าเราเป็นตัอย่างท่นทุกท่านอพูดเราข็เชื่อแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนี้ั้นเปเหตุอย่างนี้พืดถึงตัวตนขาเขุนอย่างนั้นจริงจังได้ท่านจับมาอยู่กลับมาเลยว่านัเป็นตัตพอในตัวตตกลมหมดพูดติดตกกบกรับขก้นจับวาลมหมดล้มพูดน่าอับ แั Mann, está lá, está ่ตาดีได mm ้จะบังคับให้มันไป่ตอีกมันไปเล่นอีมันไปในดาบมันเหลือมันหนาอยเป็นแบบนั้นจิตใจที่ไปถึคามจรงใจที่ด้วยของโลกของตัวมันเอนยลกเดียวนที่มนอยมันเป็นหนึ่เียว เมื่อไนยิ่มาเค่อนใจยิ่งจะอ่านเท่าไรศึกษาเท่าไรฟังเท่าไรรั้งยาอนยุจัยคืตามงเท่าไรนลืมก็หลงไปเข่งเข่งโง่มังโอยุ่นเข้ามาพัดผเข้ามาธรรมะไม่ตกนีจใไม่ได้อันไหนนั้นคือต้องเจริกใจใจฟังกับฟางเท่าไร เป็นยัไงขอทษแตาทำกามำงกิข้างไรยังไม่ถูกปฏิบัติทำยังต่อเนื่องต่อไรเทียนต้หลังคือมันเทียนลงไปก็ไหลหนีจิตจีเกิดมามฏิบัติอย่งแค่หนี้เกหลังข้างมันเงยมีีอ่งละมันจะตกไปแล้วเีย่ต ชาติหน้ากปุตตะนไม่ไหลหนีปุตตะหันจิตใจมีธรรมะจิงจ <e ังพอเอ่ยนะฮะธรรมะที่ทำปฏิบัติธารมะที่ร okay. ูอาจารย์เนี่สอนมันเป็นอันเดียวกันตื่นใจดีใจว่าปฏิบัติถูกแล้วดีแล้วตั้งหล้วตงมีดีนังต้งทำเนี้ ก้องักาต่าเกิดขึ้นเราดูรักธรที่ปฏิบัติธรรมเกิแล้วราจได้เการลืมหลงคามอ่านจดีารทำธรรจดีเราส้างมะพอนะ ดี๋ยวมันปวดตรงตัจริงอยู่อย่างนะวันหยุดเป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของคนอืมบัตองคนอื่นอยงนี้นะอะไรเราก็ไม่ได้ใช้กันอามีกตเป็นสมบตของเวเรามีอะไรก็เดียใช้อันนั้นเป็นสมบัตของเราตงใจ เรามีวาแตนะอยากรู้วาริตของคนอื่นอจะรู้ตุาร์ไไอใจสงบเจอแม่ไปจนเกิดซึ่งสกิึ่งในสาัคนอื่นลาบากแล้วไม่มีแม่ในมีอิิมีความูถึงวาิตของคนอื่นทำเกิดซึ่ท สะดวกสบาบ่อยวางเร่ออารมณ์ทั้งยาต่างสแล้วควรจะบรรใจแล้วพอไปมีคว้มใหญ่ดิ้นรนถ้าอยากได้อย่างนั้น่านถ้าใจของเราถุกใจของเราสบายใจของเราเป็นความหาจากคาดับความชืนตะวันตะวันม่ได้ีเรามีควาเป็นสมบัตถึงวันเือนจะอดยากยากจน ทำให้ในตัวของเราดีนะสมบติเาดีเป็นความหมายเราเชื่อมันอย่างนี้เป็นสบายใจมีความสงบเป็นสบายใจอย่างหนาเป็นสิ่งนี้ทาให้ของเรื่องขอดีเกลี่ยไป ให้กระดางแขดิ่งเลยเข่หายติกิ้งผูกแขนอกไทยลายเป็นของเราเป็นพอมีคนหงายขมนะงาามีะรนะในเดืนเดืนใครตั้งใจใส่ดีสังเกตได้ก็เป็นมงคลจยเา็นเด้งนะท้าปวดตลอดตับ มันมีปฏิบัติได้มันมีสุ้มคางโนลงสิลงเยี่ยงใหญ่างคนเชื่อบางคนเป็นที่คิดของเขาแต่ควางจริงแล้วทําม่างของพระพุทธเ้าเป็นควินุ่มใจโลดแตุการณ์คามสุขความสบายเปมนเงินกันแลไม่ต้องเกดขึ้นท้นจากใจอันบริสุทธิ์ยังจะผ่องฟี้นใ่ห สายอนสี้ิ้งห้าโกันโลกนี้จะมีการสูดเนมีการอยู่เพียงรมีการขาดารมีการผลิดการมีการขโมยกันในกระสุกจิตใ้ปู่องข้างกันหลบกลัวบอกจะยอมหลบบอกจะยอมได้านี้ปั๊บโงหมดเคล็ดกันรต่ ดวระบานั้นโลกอันนี้ก็อนในตอนนี้ตำรวจต่างหากษาครับจะอยู่กันอย่างอิสระอย่างสะดวกสบายอันนี้คนมีธรรมเนี่จะอยู่กม้เทาไรก่อนเนสุขสบานแต่คนมีธรรมเนี่ยยงสองคนเท่านั้นใจเท่ากันสะดวกสบายเลยไม่เกรียวใจกันทำเนี่ยคืว่า จากที่เมาทอ น, น, น, นเรื่องของจริงแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อมันคงมีคุณอยู่แน่แต่คนเนี่ยเอาทมาฆมา่า ม, มันเงไม่เป็นประโยช น, น, น, น, น์แบบตัวเขาเหมือนยนใจตมากเท่าไรแล้วก็มองเหม่นเดิมแตยนใจจากที่เจอมาเดิใจเป็นอาจเป็นทางจริง เอามาเลี้เศษอยู่อาาจักรของวเศ่าเวลตารงโผล่ขึ้นไปีบัตย์เสก่อเองบาีเลเราปฏิบัตดีิดหน่ีบมีความปุกความสบายางใจายใจรมยเสั่วไม่ผิดเดี๋ยวก็ถึงคนอื่นใเดือนตัแบบเขาอยู่ในใจเขาแล้วแาทอย่าง mm. นั้นอย่างนี OR ้อย่างนั้นอย ทีเรียนอย่าเอเรื่องจ้าก็เกิดเขาทันใจเือดนแต่ทันดีดีเงียเราคือยังไม่ถ้วนเดีของเราต่โยโยตั้งแต่่้จนเขาวสังซึ่งเป็นที่ทใจอย่างไรก็เป็นอะไรโเป็นตััเป็นามี่โโที่เป็นมทําที่เจ้า่าโ ทำให้ย่อนจนแน่แน่น่นทุกคนทุกบ้านประกอบตัวของเรามีสอนตายใจของคนแต่ละคนโดยเฉ็าะคนที่เขาอะไวเราเ็นใจไม่ใจเป็นมนุษย์ที่จะือปฏิบัติทั้งนั้นได้ไห้เชื่อว่าอย่างไีตอลงมืปฏิบัติอาจทำให้เราสอเราไ้ใจองเราจิตใจเุ้งซงโดยต่างๆตอนเปนม All oh. right. ปวดตัคนใ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาไโดนปวยโามโดยอะไรแต่เด็ไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเก็บถ้เด็กไปโดนเขาไม่มาลืมตายปวดเด็กอย่างนั้นมันเอาเกลียดเยรนเป็นใ่กันนเข้าตัวเลยเป็นใจเหมือนกันมันวแจ้ามคนที่ติดจามีจานตัวนี้ เรา่องได้อย่างนี้มีต้นดีนะทำของเราก็จะเป็นอย่างไรจะพอใจเราดีพอใจไหมคิดได้อย่างนี้ก็เม็ควงใหญ่ยิ่งที่จะเป็นทาท่านท่านผิดผิดคิดได้เห็นอกเขาอย่างไรนห้นอกเราอย่างไรเสมอกันนั่งสงมารเกไปเยืยงขสอันนี้มันเป็นอย่างเพราะจะให้เราได้เพราะจะให้ได้ คือเตาบายคนอื่นจะเป็นอย่างไรสังพักมันคิดไปแต่แง่โยกมันสั่งเดือดแล้วเดือดอี่อุตส่าห์ ได้ส่างผลิตไมดีมันก็ดีอยู่แต่ไใดสี่ะทิตดีมันก็ดีอยู่แล้วต่ายนีเีีกเราเรารับทามันก็ดีทำแม่ดีมีอยู่เลยทาทีในร่างแม่ทรายแล้วไม่อ่านไม่รรู้จักจิจของเราไ่หยึดหรืงปรงอย่างไรสางเรามีสติกำหนดดูเราก็รู้ว่าเราคิดคิด เราปฏิบัติแม้เรอยลงเรื่อยปฏิบัติเรื่อยปฏิบัติได้แค่น้อยแ่กนสมัติองเราขอเราอย่างจริงในจิตในัจของราที่ใส่ยากางมี้ทำงานจนตาไม่ใจตัวจิตตัวฝงตัวเสื่อไปลงเราที่เจอเนี่ยเสื่ใจเสื่ใจ สมาธิ้ต้องตามเป็นคริงได้านมีสมาธจิตระบอกเป็นถานเราที่จะละห่อะไรก็ตกรู้เหตามเป็นจริงได้เนม้นสมผัสผีสมาธัญญาเปทงีจไม่เคือนหเดินสายไม่เนาจริงั้นามที่ไหนะความ ใ่าใใจเท้าไรแต่เราความหลับเงี่ตั Actually, ้ง้อิดต้องใจมันมีอยู่ที่ไหน่สี่แสนสี่ใจเทาไมันอยู่ปัญาทัศนคิดดนมาแตอนตัวเาั้นเราที่นคิดเดินมาเดินจิตใจเปนสมาธอะไรมันจอะไรมันถูกยาใจแแจ่ม ครับเือือมนสัญญาที่เราพิจาเหอกันเดี๋ยวน้ทั้มสองท่านได้ไปจ่ายสละสลาเงินบางผิดสาทางสวิทย์เม่เทวายกต่างทางเพอนปะกี้แบนั้นก็มเห็นผลได้แต่กำลังได้แต่บัญชีไปจ่าวสลาไม่ไเอาเขาไม่เอา รนเสียงบาทั้งบาตแ้นาทห้แบบที่เรายตางถิ่นต่างแดนอาีพอาชีแบบนั้่าอคนอื่นเห็นอย่างนั้นคนอื่นเขาดีอย่างนี้ที่สี่ตัวของเราก็ยังไม่หยุดจยังทองสารคนอื่นอยู่ เรายริยนเพ่ก่อนยังไม่ได้ใจใจ่อก่อนนะที่มาสอนคนีคือเรายังไม่ได้อะไรเราอยากจะให้คนดีดินะจะเอาความรู้วิชาที่ไหนไปสอขางเรากเรายังไม่เป็นไม่ดยังทำไม่ดังสอนใจยม่ให้กาหาตัวสอนตัวฝึกตัวให้ดีเช่ก่อนเราเราเรียนเรายเรารู้ในตัวของเราแล้วความอยากมันจะหมดไป พอแกเนี่ยแจกฝอนแล้วคนแจกอนแไม่แน่ในอนั้งบบคืเราเห็นเราเอเรารู้เราเข้าใจเรก่องประเภที่ต้องมีใจของเรามันสะดวกบาย เราเสียเวลาเราคิดอย่างนเราดีพอหรืยังหนึ่งคนหนึงตัวจราติดคิดะเป็นคนดีเวลาติดคิดพักคนืทหารเรียายาทำมากในตัวของเราก็อาจเกิดวาดีผในตัวหนึ่ง้ยังีกวาเปรุงปรุงเป็นคนดีเราสายเราสงบคนเดียวสบายคนเดียวโลกเขาจะเป็นอย่างไรนะครับ เโโลือกโคโลมาหนึ่งเดียห์หาได้สามทองเราดีคนเดียวมีกำลังมากพอสามารถที่จะบรรจุคนไะเด้มากรถนะไปกำลังใหญ่เล ย, ยบรรจุคนโดยตามคนเด้เรมามีหล า, ายๆคันยาเรารู้มากถ้ัาจะแยกว้าไม่ได้อย่างน I don't know what it is.